ที่อยู่ๆโผล่มาจากข้างทางเดินหน้าตาเฉยข้ามถนนผ่านหน้ารถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงบ้างก็จะมีงูเหลือมยักษ์ตัวเขื่องขนาดใหญ่ยาวหลายเมตรเลื้อยข้ามถนนพร้อมกับลูกงูจำนวนมากไม่สนใจว่าจะมีรถวิ่งผ่านหรือไม่นะคะ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 เป็นโยมพ่อของสมเเ็รน้อยชื่อคำปองได้เปิดเผยถึงผีที่ปรากฏตัวในเขตรพระราชวังเดิมตอนกลางวันแสกๆให้เราฟังนะคะว่าตัวของแกเองก็อายุมากแล้วผมก็งอกเกือบจะเต็มศีรษะรอมร่ อ, รอค่ะยังไม่เคยเห็นผีหรือว่าไม่เคยโดนผีหลอกสักครั้งสักคราก็เพิ่งจะมาเคยเจอผีหลอกกันจระจตอนกลางวันที่เมืองเก่าอดีตราชธานีสมัยสุขโขทยัย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 สองลูกกตานี่เห็นกันจริงๆแล้วก็เห็นกันจระจะนะคะที่โบราณสถานเป็นวัดเก่านะคะที่จังหวัดสุโขทัยแต่ว่าไม่ขออนุญาตเปิดเผยชื่อวัดเก่าแห่งนี้นะคะเรื่องราวแปลกๆนะคะจากสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาอีกเรื่องหนึ่งค่ะพาคุณผู้ฟังไปที่อำเภอบ้านเข้าค่ะตอนผีสาวหญิงไม่หลอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชยภูมิค่ะเพราะว่ามีคาเล่าขาน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 ะะพวกเขาก็เลยขับเฉพาะตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนจะไม่มีใครเสี่ยงขับนะคะก็จอดริมถนนพักค้างคืนซึ่งไม่ใช่ที่เปลี่ยวมีบ้านคนอยู่เต็มไปหมดมีผู้ชายวัยห้าสปีเศษน่าจะเป็นกำนันตำบล น, นี้แหละถือปืนลูกซองมากับลูกบ้านสามคนพร้อมกับแสดงตนนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นกำ น, นันแล้วก็แนะนาผู้ติดตามมาด้วยว่าเป็นสารวัตรกำ น, นันแล้วก็ผู้ช่วย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 ไอ้เจ้าเผือกลูกน้องแกก็สลืมสลือค่ะกำลังนอนฝันหวานเข้าได้เข้าเข็มโดนปลุกขึ้นมาก็เสียอารมณ์อ้าปากกำลังจะต่อว่าคนที่มาปลุกแกรีบเอามืออุดปากเจ้าเผือกไว้แล้วพูดกระซิบเบาๆข้างหูบอกว่าเผือกถ่าจะไม่ดีแล้วรีบเพ่นจากที่นี่ก่อนเถอะเมื่อปลอดภัยแล้วข้าจะเล่าให้เองฟังทีหลัง